ฟังธรรมต่อก็เด็กนอ้องพาได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วตําประเทศหนากันนี้สอง0ปีกว่ายังมีไออุ่นอยู่ถ้าเราปฏิบัติ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 เห็นรูปเห็นนามตามกวาเป็นจริงเห็นแต่ลกอยู่กับรูปกับนามตามกวาเป็นจริงว่าบันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็หลุดออกไปเหยียบไปไหลไปสู่มรรสู่ผลเอามาอยู่ก่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์พอเห็นแต่ลกตามควาเป็นจริงทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ ทุก ต, ต้องกำหนดรู้รู้แล้วนี่มันเลยไม่ไม่อยู่ตรงนี้ไปเฉยแล้วเหตุใดเกิดทุกูรู้แล้ ว, เ ห, เ, ลลวเห็นแล้วละแล้วละได้แล้วเห็นแล้วจริงๆเนี่ยเหตุใดทำไมเกิดทุกข์หลักการปฏิบัติก็เห็น เห็นแล้วไม่เป็นเพราจากการฟาที่เป็นนั้นนี่เรียกว่ามันสัมผัสในการสัมผัสแต่ละคนไม่มีคําถามเป็นสัจธรรมความเท็จความจริงเป็นเช่นไรทุกคนเห็นแล้วเห็นได้เกิดทุกคาได้แล้ว วิธีทำนวยนะั่นถึงความแบบทุกข์ก็ท่องไม่แจ้งแล้วไม่ต้องถามใครทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รู้เห็นตามความเป็นจริงนีประวัติสามอาการสิบสองประวัติสามก็คือเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์นี่สามหลุดเห็นได้เกิดทุกข์ แยกเหตุนันได้แล้วทำได้แล้วมันก็สามอย่างนี้แจ้งแล้วทำไม่แย่งแล้วทำได้แล้วไม่หลงตุนนี้อีกสำนานาง เ, เพราะมีหลักฐานต้มีจิตติไม่มีวิธีใดนอกจากการมีจิตาิตหลัก วัชิมาปฏิบทาเสวยาาายาตีตังและเจอชิร ล, ลีการเห็นชอบการดำเนินชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบกาเรเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียงชอบการตั้งสติไว้ชอบการตั้งใจไว้ชอบเพียงพอแน่นหนา ก็อยู่ที่รูปที่นามนี้ชิ่เหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยเวลาหมนหลงก็คงไม่หลงก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วเวลาหมนทุกข์า็ไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วอุนใจหุนใจเหมือนพระพุทธองค์นั่งคุยด้วยสนทนาด้วยเป็น เนที่อาศัยได้ว่าะธรรมไม่อยู่จริงคำสอนไม่อยู่จริงไม่เห็นธรรมก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นธรรมจริงจริงจึงมั่นใจสุดหัวใจเรื่องนี้ไม่มีวิธีอื่นไม่ได้ อ, อ้อนวอนไม่โยกเบืองล่วงหัวให้คนนั่นช่วยให้คนนี้ช่วยไม่มีแล้ว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 รูปก็บอกความจริงความเท็จน้ำก็บอกความเท็จความจริงที่บันเสดงออกเรียว่าอาการอาการเกิดขึ้นกับรูปอาการเกิดขึ้นกับนาำเราไปเรียกว่าสุขเราไปเรียกว่าทุก ข, ข์มันก็ใหญ่ถเห็นแต่ลการามันเล็กน้อยทุกเป็นอาการความปวดเป็นละการไม่ใช่ตัวจริง อาการนี่มันผิวเผินไม่ใช่หลักจริงเช่นจิตใจของเรานี้หลักใจมันบริสุทธิ์อยู่อาการมันจอร์มาเป็นข้างเป็นขาวเช่นความโกรธอาการได้มันจอร์มาเราก็มีวิธีสละคืนรู้เจ้าว่าอย่างนี้ไว้ต้นรับ ไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าวันเลยอาศัยไม่ได้เพราะเรารู้เราทำได้ที่ใดก็ทีนั้นเอเย๋ยม่ไม่ยอมไม่ติดย่อมไม่ติดบริสุทธิ์อยู่เสมอเกิดสิ่เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ในช่วงนี้ หลงไม่เป็นหลงหลงเป็นรูวะวัชจาร์ไปแล้วอีก ท, ที่มันจะมาเพื่อนหมดไปแล้วความเพื่อนไม่มีแล้วทุกเป็นรูเนี่ยว้ทําอย่างนี้ไม่ไม่เหงื่อไม่ไหลเหงื่อไม่ไหลปฏิบัติได้ให้ฝนหน้าอย่างนี้นี่ว่าธรรมะตัดไ้ดีอยางดีหาวิธีอื่นไว้ถูกต้อง จะละคืนไม่ต้อนรับไม่ไิที่อาศัยไม่ให้ค่าหลักเดียวท่านี้วิธีปฏิบัติต่อรูปต่อ น, น้ำที่มีอาการเกิดขึ้นกับรูปคำนามนี่เราก็เห็นป่านนี้แล้วทุกคนก็เห็นอย่างนี้ได้ไปเชื่ออะไรที่นั้นอีกก็เกิดสัทธ์ตาตรนนี้แยวแน่ ศรัทธาตันี่เป็นพลังใหญ่เมื่อมีศรัทธาก็มีความเพียรทำกับจริงเหล่านี้ไม่ปล่อยทิ้งไม่ทอดทุเละไม่มีความเพียนก็มีสติมีสมาธิมั่นคงเป็นหลักชีวิตได้หลักเดี่มงั่นคงเหมือนเสาเขื่อนเหมือนภูเขาเหมือนก้อนหินไม่หวัน่นไหว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 สองคนต่างอยู่ในวัดตานี้ทุกฝังอย่างก็แช่กันอยู่แช่งใครแย่เราทุกฝังอย่างก็บังกวนกันยังไม่แจ้งทําไม่ได้ต้องช่วยกันไปช่วยก็ช่วยกันบอกกันอย่างนี้ช่วยไปยกออกให้ ใ, ใจเส้นขมโกรธมันก็ออกข้างกันไม่ได้ต้องเรียนเอาเองปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองจึงเพื่อนเพื่อนกันอย่างนี้พูดกันด้ยินใ้ฟังหรือเขี่เยเขี่ยเขียช่วยเชี่ยออกมีปัญหาไหไก็ช่วยกันเขี่ย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 เป็นลวเที่ทำให้เราไปทางเดียวกันเหมือนเช่นได้ล้อยดอกไม้เราเป็นนิสัยกระจุกระจายกันลูกต่างพ่อต่างแม่ม่อยู่ทำไม่ญ่ก็เช่นได้ร้อยข้าหากันแล้วก็เป็นอันเดียวกันแล้วโกดกันไม่ได้เบียดเปียนก็นไม่ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราเหมือนกันลากร่อนไม้ทำไม่ไหนเหมือนกันลากแก้วทําให้เรามั่นคงนึกปุ่นนี้เพลนแล้วเป็นดอกกอขนุนได้ถ้าเรามั่นคงไม่ลากแก้วต้นไม้ไม่ลากแก้วปลูกเป็นนานนานนานปีเขาก็จเจริญเติบโต เป็นดก อ, อกขนหน่อยไอ้ก็มีสิ่งที่ถูกต้องวาจาก็มีสิ่งถูกต้องความคิดก็ถูกต้องการ ง, งานถูกต้องการเลี้ยงชีตถูกต้องความภาคเพยียรถูกต้องขั้นตอนทฑ์ถูกต้องสมอาธิคือจิตใจไว้ถูกต้องก็ไปกันหมดเลยจปนพวงไปครบปรุงจร หตุวัดวิธีวัดก็มีพบกันตอนเช้าตอนเย็นเวลาฉันเวลากับฉันก็แบ่งปันกันที่เดียวกันเหมือนกันหมดเ้าได้ป่วยก็ดูแลช่วยกันตามกำลังของพวกเราอย่าโทจอยทิ้งกันทิ้งกันไม่ได้ นี้หลวงตา ก, ก็ไปอยู่ภูหลงอาศัยอาจารย์ไพศาลอยู่ก็สบายที่สุดเลยมีคนมาก็นูน่นอาจารย์ไพศาลอยู่นูน่นก็ผ่านไปได้ก็ไม่ได้มาเอาแต่เดินเดนเ น, นอนนอนยู่ก็ไม่มีค่าอะไรกลัวจะเป็นบาป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 เาคิดถึงพวกเรายูมือกันนะเราไม่คิดถึงก็ช่าง น, นะแต่เราคิดถึงที่นี่เหมือนกันหลังก็ไปไปโมกที่วัดภูก็ทองวัดโมกเสร็จก็มานี่ไปดูงานที่ น, นั่นแต่นี่ก็มีไม่ยุ่งก็จะมองหน่วยหนึ่ง คนตัดไม่ยุงเยอะที่วัดเราไปไม่ได้ตอนขึ้นเขาไปล้วปิ้นไปไม่ได้มันก็เกี่ยงหนาขามโมยเนีรย่ตัดทีไก็จับได้แล้วก็พอสืบได้จับได้ครั้งหนึ่งก็ยึดไม่ได้จับครั้งที่สองยึดลดกับไม่ได้ จับพังดดได้สามย็ดรถได้สามกันจับไม่ได้เดต็มกันรถต้งสามกันเลยได้ไม่จิบเก้าท่อนท่อนของผู้หลงใหญ่ที่จุดเลยวัตถุตมันดูต้นมันเขก้ก็โกรธที่เขาเจะให้หมดเขาหลงทางอองมาได้เขาหลงทงา ง, ทง บอหลังคู่หลงไปสูงแล้วมันก็ผ่านลักพูีผ่านลงทั้งวังยาวผ่านลลตับ่อทองคําไปดักได้ที่บ่อทองคำวิทยาบ้านกําลังก็เจ๋งตำบลท่าไผ่หวานมีเครือข่ายนักสืบไปวันตะลายที่นั่นไป อ, อ, นองนาออกตราบ้ากำแพงดีพระถูกฆ่ากลายมาหลายรูปแล้ว เราขอตายแทนนันปสานอายาปรสานยังหนุ่มอ ย, อยู่แต่มันไปไม่ได้เลยหาที่จะปลูกต้นมาอายุงลดแทนเดี๋ยนี่เล่นต้นก้าสองพันต้นต้องลงทวนหน่อยคองการห้าสิบปีจากนี้ไปห้าสิบปี ที่วัดนี่จะมีเงินร้อยล้านบาทอ่าขายนะนต้นยงบ้านเก่าบ้านท่าว่าไฟหวานเนี่ยเสาอื่นขาดหมดหลื่ลงหาต่อโสปูนแต่สองต้นเป็นไม้ยยงไม่ขาดเลยายต้นห้า0มื่นไม่หน้าแปดสิบเอ็ดสองเด็ดต้นห้าหมืน สางบ้านในหลังหนึ่งเล ย, ยนั่งเงินถึงแสนบาทขายไม่สมต้นเนี่ยเราปลูกไม่โยงห้าสิบปีนับจากนี้ไปไม่โยงเย้อต่อมเสาได้หน้าแปดได้ขายต้นห้าหมืนสองพันต้นก็ได้เงินร้อยล้านเอาไหมพวกเราเราปากันตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เร า, าพูดสนุกไปเฉยๆเด้อมาเห็นจานเซงศิลปจานโนจันจ เฉยๆเพื่อนๆ เ, เราที่นี่อุ่นใจไปภูเขาทอ้องอุ่นใจอ่ะที่นั้นก็ทำงานเล็ก จ, อกจอก่ออยู่พระมาอยงให้หลวงพ่อเป็นเพื่อนไปชื่อมาเลี้ยงมาอยงไว้ที่นั่นที่นั่นก็จับสายยางเก่งอยู่มีน้ำสะดวกนพระ อ, อยู่เป็นประจำต้องเลี้ยงไปที่วัดภูดเขาท้องก่อนแล้วถึงเวลา รักสองสามปีซื่อกระถางมาเลี้ยงจากสามปีต้นมาจะเพียงหัวล้วปูกก็เป็นป่าเลยก็ต้องอนุบาลมันอย่างนี้เลยคิดแบบคนแก่ก่าวโวหารอย่ามาเชื่อนะเด้อก็เป็นบปได้ ไม่ยางเนี่ยเราไปชื่อมาทำสาลาวัดภูกระองหน้าแปดหน้านิ้วครึ่งหน้าสองเนี่ยตัวละเกือบสองพันบาทสิบหกศอกที่นี่ปลูกไม่ยางมาเป็นหลายแสนตันเนี่ยกำหนด ว, ว่าสามสิบปีจะขายต้นนะเมื่นบาดมันตกได้แน่นอนเนี่ยมาซอยออกกะได้หลาย ตายตัวเนี่ยสามสิบปีนะด้า น, น, นอนาคตเนี่ยต้องหวังว่ายาวๆให้ลูกใั้หลานสอบในดินจะในน้าเอาไว้แม่คนอื่นจะทำลายเราจะสร้างสรรค์เราไม่ทำลายเนี่ก็พูดเล่นๆไว้คิดเล่นๆไม่ความสุขเหมือนกัน ไม่คิดทำลายเนะี่ยมันคิดสร้างสรรมันมีความสุขมีชีวิตชีวาดีก็ไม่ค่อยจะมีแรงนะหวดลงเรื่อยๆเจอกระพู่อมันก็ได้ล้อ๋อตอนนี้ก็จะไปไม่ไหวแล้วจบชั่ น, นี้ก่อนเนาะอะ๋สมถทานฉินพ่อสินแม่สิน